พัวข้อว่าชิงช้าห้อยด้วยเชือกสายมีความว่าในวันนั้นอีกพระราชาให้ส่งข่าวไปยังชาวบ้านปาจีนนะยะวะมัชขามเพื่อทดลองมโหสดบัณฑิตว่าพระราชาใครจะทรงเล่นชิงช้าห้อยด้วยเชือกสายเชือกสายเก่าในราชสกุลขาดเสียแล้วให้ชาวบ้านนั้นฟันเชือกสายเส้นหนึ่งส่งมาถวาย ถ้าส่งมาถวายไม่ได้จะปรับไหมพันกะหาปณะนะชาวบ้านเหล่านั้นไม่รู้เหตุจึงแจ้งแก่มโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตคิดว่าเรื่องนี้ต้องย้อนปัญหาพูดเอาใจชาวบ้านไม่ให้วิตกแล้วเรียกคนฉลาดพูดมาสองสามคนจังสอนให้ไปทูลพระราชาว่าข้าแต่สมมติเทพชาวบ้านไม่ทราบประมาณแห่งเชือกนั้นว่าเล็กใหญ่เท่าไหร่ ขอสมมติเทพโปรดให้ส่งท่อนเชือกสายเส้นเก่าสักหนึ่งคืบหรือสี่นิ้วเป็นตัวอย่างชาวบ้านเห็นประมาณนั้นแล้วจะได้ฟั่นเท่านั้นถ้าพระราชารับสั่งแก่ท่านทั้งหลายว่าเชือกสายในพระราชฐานของเราไม่เคยมีแต่ไหนมาท่านทั้งหลายจงกราบทูลว่าแค่แต่พระมหาราชเชือกสายตัวอย่างนั้นไม่มี ชาวบ้านปาจีนนยวัฒชขามจะทําอย่างไรเล่าพระเจ้าข้าชาวบ้านเหล่านั้นไปทําตามมโหสถแนะนำพระราชาตรัสถามว่าย้อนปัญหานี้ใครคิดทรงทราบว่ามโหสถคิดก็ทรงยินดีหัวข้อว่าสะนา้ามีความว่าในวันอื่นอีกพระเจ้าวิเทหราชให้ส่งข่าวแก่ชาวบ้านเหล่านั้น เพื่อจะทดลองมโหสถบัณฑิตว่าพระราชามีพระราชประสงค์จะทรงสนานน้ำชาวบ้านปาจีนนะยวมชคามจงส่งสโบกครณีอันดารดาดด้วยบัวเบญจะพันมาถ้าพวกชาวบ้านนั้นไม่ส่งมาจะปรับไหมพันกรหาปณะนะชาวบ้านเหล่านั้นแจ้งแก่มโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตคิดว่าเรื่องนี้ต้องย้อนปัญหา จึงสั่งให้เรียกคนผู้ฉลาดพูดมาสองสามคนสั่งสอนให้พูดแล้วส่งไปให้ทูลว่าท่านทั้งหลายจงเล่นน้ำจนตาแดงทั้งผมทั้งผ้ายังเปียกตัวเปื้อนโคลนถือเชือกก้อนดินและท่อนไม้ไปสู่ทวารพระราชนิเวศให้กราบทูลความที่มายืนคอยเฝ้าพระราชาได้โอกาสแล้วเข้าเฝ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้า พระสงฆ์ส่งข่าวไปให้ชาวบ้านป้าจีนนยวัฒมฉามทรงสะโบกครณีมาถวายพวกข้าพระองค์ภาสะโบกครณีใหญ่อันสมควรแก่พระองค์มาก็แต่สะโบกครณีนั้นพระนครอันมีกำแพงคู่ประตูหอรบ ก, ก็กลัวตัดเชือกหนีเข้าป่าไปเพราะเคยอยู่ในป่าพวกข้าพระองค์โบยตีด้วยก้อนดินและท่อนไม้ ก็ไม่สามารถจะให้กลับขอพระองค์โปรดพระราชทานสบกกรณีเก่าของพระองค์ที่นํามาแต่ป่าพวกข้าพระองค์จะผูกควบเข้ากับสบคกรณีใหม่นํามาถวายเมื่อพระราชารับสั่งว่าสบกกรณีของเราที่นํามาแต่ป่าไม่เคยมีมาแต่การไหนไหนเราไม่เคยส่งสบคกรณีไปเพื่อผูกกับอะไรอะไรนํามาชนี จงทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพถ้าเมื่ออย่างนี้ชาวบ้านปาจินนยวมัชขามจากทรงสะโบกครณีมาถวายอย่างไรได้ชาวบ้านที่รับคำแนะนำของมโหสดก็ไปทำการทุประการพระราชาทรงทราบว่ามโหสดรู้ปัญหานี้ก็ทรงยินดีหัวข้อว่าอุทยานมีความว่า อีกวันหนึ่งโปรดให้ส่งข่าวไปอีกโดยพระราชาณว่าพระองค์ใครจะทรงพระสำราญในอุทยานก็แต่ราชอุทยานต้นไม้เก่าหักโค่นเสียหมดชาวบ้านปาจีนณยวัฒมชคมจงส่งอุทยานใหม่ให้ดารดาดไปด้วยดรุณรุกชาติส่งดอกบานงามเข้ามาถวายถ้าไม่ส่งเข้ามาตามพระราชประสงค์จะปรับไหมพันกหาปณะนะ ชาวบ้านเหล่านั้นไม่รู้เหตุก็นาความแจ้งแก่มโหสถมโหสถบัณฑิตคิดว่าเรื่องนี้ต้องย้อนปัญหาจึงเรียกคนทั้งหลายมาสั่งไปโดยในอันมีในก่อนนั่นแลคนเหล่านั้นก็ไปทําตามสั่งพระราชาทรงสดับดังนั้นจึงตรัสถามเสนกะอาจารว่าเราควรนํามโหสถบัณฑิตมาละกกระมัง อาจารย์เสนกะกราบทูลด้วยความตรนีลาบส ก, การะว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตด้วยเหตุเพียงเท่านี้ขอได้ทรงรอไปก่อนพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงฟังคําของเสนกะบัณฑิตแล้วมีพระดําริว่ามโหสถบัณฑิตแก้ปัญหาแห่งทารกทั้งเจข้อถูกใจเราการพยากรณ์ในการทดลองปัญหาลึกลับ และในการย้อนปัญหาเห็นปา น, น้ของมโหสถนั้นเป็นดุดของพระพุทธเจ้าอาจารย์เสนกะไม่ให้นำบัณฑิตเห็นปานนี้มาในที่นี้เราจะต้องการอะไรด้วยเสนกะเราจานะนามโหสถบัณฑิตนั้นมาพระเจ้าวิเทหราชก็เสด็จไปสู่บ้านนั้นด้วยบริวารใหญ่เมื่อพระราชาทรงม้ามงคลเสด็จไปกีบของม้ากระทบพื้นระแหงก็แตก พระราชาเสด็จกลับแต่ที่นั้นเข้าพระนครลำดับนั้นอาจารย์เสนกะเข้าเฝ้าพระราชาทูลถามว่าพระองค์เสด็จไปบ้านปาจิ น, นะยะมัมชะขามเพื่อนำมโหสถบัณฑิตมาหรือพระเจ้าค่าครั้นได้ฟังกระแสรัรบสั่งว่าเสด็จไปจึงทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์ทึกทักเอาข้าพระองค์ว่า เป็นผู้ใคร่ความพินาศก็ทรงพิจารณาเห็นหรือยังในเมื่อข้าพระองค์ทัดทานให้ทรงรอไว้ก่อนก็บังเอิญกีบม้ามงคลแตกเพราะรีบด่วนออกไปด้วยไปครั้งแรกทีเดียวพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงฟังคำของเสนกะก็ทรงดุษณีภาพอีกวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงปรึกษากับเสนกะว่าเราจะนามโหสถมา เซนกะทูลว่าพระองค์อย่าเสด็จไปเองทรงทูตไปยังมโหสถว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปสู่สำนักเธอกีบม้าที่นั่งแตกมโหสถจงส่งม้าอัสดรหรือม้าประเสริฐกว่าม้าสามัญมาถ้ามโหสถจักส่งม้าอัสดรมามโหสถจงมาเองแต่เมื่อจะส่งม้าประเสริฐมาจากักทรงบิดามา ปัญหาของเรานี้แหละจากถึงที่สุดพระราชาทรงเห็นชอบด้วยจึงทรงราชทูตไปดังว่านั้นมโหสถบัณฑิตได้ฟังคำราชทูตจึงคิดว่าพระราชาทรงใครจะพบเราและบิดาของเราจึงไปหาบิดาว่ายแล้วกล่าวว่าพระราชาทรงใครจะพบพ่อและข้าพเจ้า ขอพ่อจงพร้อมด้วยเศรษฐีพันหนึ่งเป็นบริวารไปเฝ้าก่อนเมื่อไปอย่าไปมือเปล่าจงเอาผ้าอบไม้จันท์เต็มด้วยเนยใสยใหม่ไปด้วยพระราชาจักตรัสปฏิสันเารกับพ่อตรัสเรียกให้นั่งว่าจงนั่งที่อาจอันสมควรพ่อจงรู้อาจอันสมควรแล้วนั่งเมื่อบิดานั่งแล้วข้าพเจ้าจักไปพระราชาจักตรัสทักทายข้าพเจ้า ตรัสสั่งให้นั่งว่าจงนั่งที่อาสนะอันสมควรแต่นั้นข้าพเจ้าจาักแลดูพ่อพ่อจงลุกจากอาจด้วยสัญญานั้นแล้วกล่าวว่าแห่มโหสถพ่อจงนั่งณอาจนี้ปัญหาอย่างหนึ่งจักถึงที่สุดในวันนี้สิริวัตกะเศรษฐีรับจะทำตามนั้นแล้วก็ไปโดยในที่กล่าวแล้ว ให้ทูลความที่ตนมายืนรออยู่ที่พระทวารแด่พระราชาครั้นได้พระราชาอนุ ญ, ญาตแล้วจึงเข้าไปเฝ้าถวายบังคมพระราชายืนอยู่ณที่ควรส่วนหนึ่งพระราชาทรงทักทายปราศัยตรัสถามว่าท่านครหบดีมโหสดบุตรของท่านอยู่ไหนเจธีทูลตอบว่ามาภายหลัง พระราชาทรงทราบดังนี้ก็ดีพระหารุไทยตรัสว่าท่านครืหบดีท่านจงดูอาจควรแก่ตนนั่งเศรษฐีนั้นก็นั่งณอาจที่ควรแก่ตนในที่ส่วนหนึ่งฝ่ายพระโพธิสัตว์ประดับตกแต่งตัวแล้วมีเด็กหนึ่งพันคนห้อมล้อมนั่งรถที่ประดับแล้วเมื่อเข้าสู่พระนครเห็นลาตัวหนึ่งเที่ยวอยู่ที่หลังคู สั่งบริวารที่มีกาลังว่าเจ้าจงผูกลาตัวหนึ่งที่ปากอย่าให้ร้องได้แล้วห่อด้วยเสือลำแพนให้นอนในเครื่องลาดแบกมาบริวารเหล่านั้นก็ทำตามสั่งพระโพธิสัตว์เข้าสู่พระนครด้วยบริวารมากมหาชนเห็นพระโพธิสัตว์มาดังนั้นก็พากันชมเชยดูพระโพธิสัตว์ไม่รู้อิ่มว่า บุตรแห่งสิริวัฒกะเศรษฐีนี้ชื่อว่ามโหสดบัณฑิตเมื่อเธอเกิดมาก็ถือแท่งโอสดมาด้วยเธอรู้การโต้อตอบปัญหาที่ทดลองมีประมาณเท่านี้ได้มโหสดไปถึงทวารพระราชฐานให้กราบทูลพระราชาให้ทรงทราบ พ, พระราชาทรงสดับว่ามโหสดมาก็ทรงโสมนัสตรัสว่ามโหสดบุตรเราจงรีบมาเถิด มโหสดพร้อมได้เด็กพันหนึ่งเป็นบริวารขึ้นสู่ปร า, าสาทถวายบังคมพระราชายืนอยู่ณที่ส่วนหนึ่งพระราชาทอดพระเนตรเห็นมโหสดก็ทรงพระปราโมทตรัสปฏิสันเารอย่างอ่อนหวานว่าแน่บันดิตเจ้าจงรู้อาจที่สมควรนั่งเถิดการนั้นพระโพธิสัตว์แลดูเศรษฐีผู้บิดา ลำดับนั้นบิดาของมโหสถก็ลุกจากอาด้วยสัญญาที่บุตรแลดูแล้วกล่าวว่าแน่ ä, บันดิตเจ้าจงนั่งที่อาดนี้มโหสถก็นั่งที่อาดนั้นเสนกะปุกกกุสะกามินทะเทวินทะและชนเหล่าอื่นผู้โชดเขาพอเห็นมโหสถนั่งที่อาดนั้นก็พากันตบมือสวนเสเหหายเย้ยว่า คนทั้งหลายพากันเรียกคนโฉดเขาคู่นี้ว่าบัณฑิตการเรียกผู้ที่ให้บิดาลุกจากอาจแล้วตนนั่งเสียเองนี้ว่าบัณฑิตไม่สมควรพระราชามีพระพักเศร้าหมองทรงเสียพระหฤทัยลำดับนั้นพระมหาสัตทุลถามพระราชาว่าพระองค์เสพระราชหฤทัยหรือพระเจ้าค่าพระราชามีพระราชาดำรัสตอบว่า เ อ, อขาเสียใจเพราะได้ฟังความเป็นไปของเจ้าก็เป็นที่ยินดีแต่พอได้เห็นความเป็นไปของเจ้าก็เกิดเสียใจเพราะว่าเจ้าให้บิดาของเจ้าลุกจากอาจแล้วเจ้านั่งเสียเองมโหสดจึงทูลถามว่าก็พระองค์ทรงสำคัญว่าบิดาอุดมกว่าบุตรในที่ทั่วไปหรือครั้นตรัสตอบว่าเข้าใจอย่างนั้น จึงกราบทูลว่าพระองค์พระราชทานข่าวไปว่าให้ข้าพระบาทส่งม้าอสเดรหรือม้าประเสริฐกว่าม้าสามัญมาถวายไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ากราบทูลดังนี้แล้วลูกจากอาจแลดูบริวารแล้วสั่งให้นำลาที่จับไว้มาให้นอนแทบพระบาทยุคนแห่งพระเจ้าวิเทหราชแล้วกราบทูลถามว่าลานี้ราคาเท่าไหร่พระเจ้าค่า พระราชาตรัสตอบว่าถ้ามันมีอุปการะราคามันแปดกหาปณะมะโหสดทูลถามต่อไปว่าก็มาอัสดร อ, อาศัยลานี้เกิดขึ้นในท้องนางมาสามันราคาเท่าไรเล่าพระเจ้าค่าครั้นพระราชาตรัสตอบว่าหาค่ามิได้สิเจ้าบัณฑิตดังนี้จึงทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพ เหตุไรตรัดดังนั้นก็พระองค์ตรัดเมื่อกี้นี้ว่าบิดาสูงส่งกว่าบุตรในที่ทุกสถานมิใช่หรือถ้าพระราชดำรัสนั้นจริงลาก็สูงส่งกว่ามะอัสดรของพระองค์พระองค์จงทรงรับลานั้นไว้ถ้าว่ามะอัสดรสูงส่งกว่าลาทั้งหลายพระองค์จงทรงรับมะอัสดร น, นั้นไว้ ก็บัณฑิตทั้งหลายของพระองค์จึงไม่สามารถจะรู้เหตุเท่านี้พากันตบมือหัวเราะเฮฮาโอบัณฑิตทั้งหลายของพระองค์บริบูรณ์ด้วยปัญญาพวกนั้นพระองค์ได้มาแต่ไหนทูลชะนี้กล่าวเยาะเย้ยบัณฑิตสี่คนแล้วทูลพระราชาด้วยคาถาในเอกนิบาตว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสรศิฐ ถ้าพระองค์ทรงสําคัญอย่างนี้ว่าบิดาประเสริฐกว่าบุตรลาของพระองค์นี้ก็ประเสริฐกว่ามะอัสดรเพราะว่าลาเป็นพ่อของมะอัสดรคาถานั้นมีความว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐถ้าพระองค์ทรงสําคัญว่าบิดาประเสริฐกว่าบุตรในที่ทั้งปวงลาตัวนี้ก็ประเสริฐกว่าแม้มะอัสดรของพระองค์ เพราะเหตุไรเพราะลาเป็นพ่อของม้า อ, สอัสดรก็แลครั้นทูลอย่างนี้แล้วพระมหาสัตว์ก็กราบทูลว่าถ้าบิดาประเสริฐกว่าบุตรทั้งหลายขอได้ทรงรับบิดาของข้าพระองค์ไว้ถ้าบุตรประเสริฐกว่าบิดาขอได้ทรงรับข้าพระองค์ไว้เพื่อประโยชน์แก่พระองค์พระเจ้าวิเทหราชได้ทรงฟังคํานั้นก็ทรงโสมนัส ราชบริษัททั้งปวงก็แท้ซ้องสาธุการว่ามโหสถบัณฑิตกล่าวปัญหาดีแล้วเสียงปรบมือและการยกแผ่นผ้าเป็นพันๆได้เป็นไปแล้วบัณฑิตสี่คนตามีหน้าเศร้าหมองซบเ้าไปตามๆกันปุจฉาว่าผู้รู้คุณแห่งมารดาบิดาเช่นกับพระโพธิสัตย์ย่อมไม่มีมิใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนั้น เหตุไรพระโพธิสัตว์จึงทําอย่างนี้วิสัชนาว่าพระโพธิสัตว์นั้นได้ทําอย่างนั้นเพื่อประสงค์จะดูหมิ่นบิดาก็หาไม่ก็แต่พระราชาส่งข่าวไปว่าให้ส่งม้าอัสดรหรือม้าประเส ร, ริฐกว่าม้าสามัญมาถวายเพราะฉะนั้นจึงทําอย่างนี้เพื่อจะทําปัญหานั้นให้แจม่มแจ้งเพื่อจะประกาศความที่ตนเป็นบัณฑิต และเพื่อจะทำอาจารย์ทั้งสมีเสน ก, กะเป็นต้นให้หมดรมัศมีปัญหาลาจบ